วันนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงสั่งสอนไว้โดยนิยาต่างๆนั้นก็เพื่อมุ่งหมายที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในฐานะต่างๆ โดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดหมายสูงสุดในเรื่องของโลกนั้นถึงสังเกตว่าว่าจะมองในแง่ของการกำหนดรู้ทุกข์หรือการละสมุทยัยการทำให้แจ้งในนิโรธและการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักของมาก ร, รษกษะกตามประเภทของคนโดยทั่วไปก็คงเป็นไปยอย่างที่ทรงจาแนกแสดงไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศธรรม เปนเบียบไว้เหมือนดอกบัวสีเหลาคือประเภทที่เรียกว่าอุกติตันยูสามารถรู้ธรรมะพยกหัวข้อขึ้นแสดงซึ่งเหมือนกับดอกบัวที่โปร่ขึ้นพ้นน้ำพอต้องแสงประทิดและจะ บ, บาดนั้นที่จริงก็มีอยู่จำนวนน้อยและน้อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วการน้อยของบุคคลประเภทนี้ถึงสังเกตว่าที่จริงน้อยอยู่ทุกจุดคือคนที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในสาขาวิชาการต่างๆในอาชีพต่างๆนั้น จะมีอยู่จำนวนน้อยมายิ่งทางด้านศาสนาแล้วยิ่งจำนวนน้อยไปใหญ่เลยอย่างที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งคือพระนิพพานได้คนส่วนมากจะเลาะๆาไปตามฝั่งเท่านั้นคนประเภทที่สองเรียกว่าวิปจิตตันยูคือสามารถรู้ธรรมเข้าใจธรรมปฏิบัติธรรมได้รับผลของธรรม หลังจากได้ชี้แจงขยายความอ ธ, าธิบายเนื้อความของธรรมะเหล่านั้นเสักวันคนกลุ่มนี้จะมีมากิ่งขึ้นจะมีเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของพวกกัะญาณปุถุชนเป็นบัณดิตเป็นนักปราดเป็นสัตว์ปุรตามสมควรกัฐานะของท่านแต่จะต้องผ่านการฝึกปลืออบรมมาพอสมควรประเภทที่3มที่เรียกว่าเนื้อยะ คือพอจะชี้แจงแนะนำคร่ำสอนกันอยู่ได้แต่ต้องใช้เวลามากหน่อยเป็นไปในลักษณะที่ฝึกปรืออบรมบ่มนิสัยกันไปซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากในวัยเด็กๆแต่ได้รับผลสำเร็จในวัยที่สูงขึ้นไปแล้วหรือ 50-60 ไปแล้วเป็นต้นคนในโลกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสองกลุ่มนี้ตัวนี้กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าปทัทประมะคือมีบุตรเป็นอย่างยิ่ง ลักษณะใล้ๆกับคนประเภทปัญญาอ่อนหรือสูงกว่า น, นั้นนิดหน่อยพวกนี้แม้จะมีการอาธิบายชี้แจงพร่ำสอนอยังไงก็ตามโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ยากมีลักษณะอย่างที่ทรงแสดงเหมือนกับบุคคลที่ตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็จมหายไปเลยคือคนประเภทที่เรียกว่ามืดมาแะ้วก็มืดไปนั่นเอง่จริงถ้าเรามองโดยสรุปคนประเภทนี้ก็มีไม่มากนะัก อาจจะมีมากกว่าคนประเภทแรกแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากกว่าประเภทที่สองและประเภทที่สมธรรมะปฏิบัติจึงเน้นไปเพื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายทั้งทั้งสี่ฝ่ายเพราะแม้ว่าบุคคลประเภทสุดท้ายจะไม่สามารถรับประโยชน์จากธรรมะโดยตรง แต่เมื่อคนอีกสามประเภทได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในทางาศาสนาก็จะมีจิตใจอุ้มชูอุปถมัมภำรุงบุคคลเหล่านั้นเอาไว้ให้เขาอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่สถานะของเขาที่จะทำได้ซึ่งภาพเหตุการบุคคลเหล่านี้มันสังเกตว่าคนประเภทที่ช่วยตัวเองอะไรไม่ได้เลยแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณธรรมสูงกว่าเขา มีความรู้ความสามารถมีกำลังทรัพย์เป็นต้นสูงกว่าเขาก็าจะเข้าอบอุ้มช่วยเหลือเป็นองค์กรการกุศลต่างๆเป็นต้ น, น, นในการศึกษาธรรมะจึงไม่ได้มุ่งผลสุดยอดไปเลยทีเดียวแต่จะมีการแสดงในรูปของการขัดเกลาปรับเพื่อนเพรยตาสายจิตใจของบุคคลในสัมผัสผลของทองธรรมะที่ประณีตจึงขึ้นตามกาลังความสามารถในการรู้โลกนั้น คำสอนระดับเบื้องต้นก็เพียงแต่ไม่หลงในโลกคือไม่อยู่ในความมืดบอดที่ท่านเรียกว่าอันถานอันถภาระอันทะก็คือมืดบอดภาระก็คือโง่หรือเขา่าก็แสดงว่าเข่าอย่างมืดบอดทีเดียวถูกคุ่มห่อไว้ด้วยโมหะถูกคุ่มห่อไว้ด้วยโลภะหรือโทสะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโมหะซึ่งเป็นตัวใหญ่ข้อนี้ถ้าหากว่าใครตกอยู่ในสภาพนั้น ก็จะมีชีวิตอยู่ที่พระพ เ, เจ้าทรงใช้เองใช้คําว่ามีชีวิตอยู่สักว่าแต่ลมหายใจแต่ตันเองือบางครั้งก็ส่งอุปมาที่เป็นรูปธรรมให้เรามองเห็นภาพว่าบุคคลถ้าขาดวินัยเป็นเครื่องศึกษาสำเนียกในการที่จะควบคุมตนประิปฏิบัติตนให้ดีแล้วบุคคลนั้นก็จะดํารงชีวิตอยู่ในโลกเหมือนโคตาบอดเที่ยวไปในป่า เนื้อหนังมังสาเขาชอมเจริญขึ้นแต่ว่าปัญญาจะไม่เจริญขึ้นปนัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เสริมสร้างคุณค่าอะไรประกอบก็าตาของตนเองบอดอยู่ด้วยโอกาสที่จะประสบภัยอันตรายก็มีได้ง่ายดังคนประเภทนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนในลักษณะกระตุก ให้ก็เกิดความสํานึกที่จะถอนตนออกมาจากความมืดบอดตอนนั้นได้แก่คนประเภทที่ปล่อยกายปล่อยใจเพื่อปรือนาเริงหลงอยู่ในความสุขความสนุกสนานต่างๆที่เป็นคาานิยมของโลกเป็นการปลนปลือตัวเองโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนแล้วก็จบลงด้วยความทุกข์ความสูญเสียความเศร้าโศกต่างๆเป็นตน้นอย่างที่ทรงแสดงแก่บุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่แม้ขนาดมาฟังทรรมอยู่ในพุทธสํานักแต่ยังพกสุราติดตัวมาด้วยพอเผลอๆเกิมาก็หยิบสุราขึ้นมาดื่มดื่มแล้วก็คุ้มครองตัวเองไม่ได้ควบคุมอาการกือยญญญาต่างๆไว้ไม่ได้ลุกขึ้นส่งเสียงดัดังไร้รํารกันตามลักษณะของคนที่เมาสุราพระเจ้าทรงใช้ผู้ทานภาพบัรดานในห้องนั้นมืดไปคนเหล่านั้นก็ตกใจ ตในที่สุดก็ทรงฉายสพันธ์รังสีมาและสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเรองอไรกันในเมื่อโลกนี้ลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกผู้ที่ถูกความมืดหุ้มห่อเอาไว้ทำไมจึงไม่สแสวงหาพระที่เป็นเครื่องสองทางตัวนี้คือเป็นการแสดงสภาพของโลกที่ปล่อยกายปล่อยใจของตนให้ตกจยูในอำนาจของ ความกำหนัดและความเพลิดเพลินในรม์ทั้งหลายลักษณะที่เป็นการวิ่งไล่ความอยากซึ่งมันเกิดขึ้นเห็นรพยายามที่จะตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปใช้ชีวิตไปโดยอำนาจของความกำหนัดความเพลิดเพลินในรม์ทั้งหลายซึ่งขึ้นอยู่กับความตกต่ำทางจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นจะตกอยู่ในหลุมบ่อบายมุกไปเลยหรือว่าขึ้น มาอยู่ในจุดของอบมุขข้อใดข้อหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็คือเรื่องของความสนุกสนานความเพลิดเพลิ น, นที่จริงการกระทาในลักษณะนั้นถ้ามองสืบสาวถึงก้นบึ้งของความคิดแล้วก็จะพบว่าตัวการใหญ่ก็คืออยู่ที่โลภะคือความโลภหรือราคะความกำหนัดที่จริงก็เป็นกิเลสสายเดียวกันแต่การที่เราโลภะจน ราบหานการเวลาของตนเองให้ศูนย์สิส้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรแต่เวลาของเราก็เสียไปทุกๆวันทุกๆวันชีวิตก็โหดสร้างข้าวทุกๆวันสแสดงเห็นถึงลักษณะของโมหะคือความหลงที่ปิดบังสติปัญญาเขาไว้จึงปล่อยกายปล่อยใจไปในในลักษณะนั้นดังนั้นเวลาทรงใช้คำในที่นี้จึงทรงใช้คำวมาลุกโลงอยู่เป็นนิด มายถึงจิตใ จ, จของบุคคลนั้นลุกโผรงอยู่ตลอดระยเวลาจะถามว่าลุกโผรงอยู่ด้วยอะไรก็ลุกโรลงอยู่ด้วยไฟคือราคะไฟคือโลภะไฟคือโทสะไฟคือโมฆะข้อนี้ถ้าหากว่าทรงแสดงแก่ชาวบ้านจะทรงใช้คัวมาโลภะโทสะโมฆะแสดงแก่พระจะทรงใช้คำว่าราคะโทสะโมฆะ ราคากระกโลภานั้นเป็นกิเลสประเภทคว้าเช่นเดียวกันคือมีการกำหนดหมายอารมณ์มีรูปเป็นโต้นหน้าแคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจและจะคอยคว้าปรารถนาสิ่งเหล่านั้นซึ่งจิตใจจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามอาํานาจของสิ่งเหล่านั้นแทนที่จิตจะเป็นตัวกําหนดวัตถุวัตถุจักลับเป็นตัวกําหนดจิตให้เกิดความเปลี่ยนแปลงชนในกรณีที่คอยคว้าปรารถนา เมื่อได้มาก็มีความชื่นชมยินดีและต้องการอยากได้ยิ่งขึ้นเป็นอาการของตัณหาที่ทรงแสดงว่าโปโนพบิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นบ้างไม่เกี่ยวเนื่องบ้างทรงกันข้ามบ้างจนสิ่งที่เราอยากได้นั้นไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีคือมีความหลากหลายหลือเกิดมากมายได้เกิดเพียงแต่รู้สึกได้ตอบสนอง บางครั้งสิ่งที่เราอยากได้มานั้นเพียงแต่อยากได้ดูแต่นั้นเองก็นี้ไปสังเกตว่าแม้แต่การเล่นบางอย่างเช่นเล่นเครื่องลายครามเล่นนาฬิกาเล่นอะไรต่รีงๆมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะที่จริงอย่างนาฬิการเรือนเดียวก็สมมําเร็จประโยชน์แล้วดังนั้นพอมีมากๆและมากมากมา ก, มา ก, มาก็ไปดูแต่ ว, ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นภาระในการดูแลรักษาในการขายลานในการ ป้องกันในการที่จะต้องส่งไปช่างก็ซ่อมต้นแต่เวลาใช้ประโยชน์เรากาใชาได้เรือนเดียวก็เพียงแต่ดูเวลาเท่านั้นเองแตนั้นอาการของความการไขว้คว้าเหล่านี้จึงมีโมหะที่เป็นพื้นฐานอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าไขว้คว้าแล้วเกิดไม่ได้ก็จะเกิดความผิดหวังความโทมนัสเสียใจครับแค้นใจบางครั้งผิดหวังแรง ก่อนจะถึงการทำอันตรายแก่ตัวเองมีเป็นการแสดงเห็นได้ว่าบุคคลขาดความรู้ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเทียบเคียงพระแท้ที่จริงแล้วถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปาตามที่คนปรารถนาโลกก็คงจะไม่อยู่สืบต่อมาได้จนถึงทุงวันนี้พกะคนจะแย่งการปรารถนาและจะถูกความปรัดสิ่งที่ตนปรารถนานั้นล้มทับตายไปหมดแนะ และการผิดหวังนั้นที่จริงก็มาคู่กับการสมหวังที่จริงทั้งผิดหวังและทั้งสมหวังนั้นเป็นคติธรรมดาประการหนึ่งของชีวิตไม่มีใครที่สมหวังด้วยประการทั้งปวงไม่มีใครที่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่ามีปัญญาเข้าไปพินิษพิจรารณาจุดนั้นสักระดับหนึ่งไม่ควยคว้าปรารถนาอะไรก็ตาม ก็เตรียมใจของตนเองเอาไว้ว่าอาจจะผิดหวังก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกลึงก็ได้หรืออาจจะสมหวังก็ได้หรืออาจจะได้เกินที่หวังก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งสิ่งที่เราเคยได้เกินความหวังไว้ในโอกาสหนึ่งนั้นอาจจะผิดหวังในอีกโอกาสหนึ่งก็ได้แต่ถ้าบุคคลเริ่มใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณา เชียบเคียงหรือปรับใจให้รับไว้ทั้งสี่สถานะก็ทำนองคล้ายๆกับการรักษาบ้านเมืองคือไม่ใช่ไปมุ่งที่จะอุดช่องจงใดจงหนึ่งคือต้องสันนิษฐานไว้ข้าศึกอาจจะเข้ามาทางไหนก็ได้เราก็เตรียมที่จะต้อนรับไว้ทุกจุดทุกช่องแต่เข้ามาข้างหน้าข้างหลังหรือข้างๆเราก็รับศึกได้ทั้งนั้น พอกระสึกเข้ามาจริงๆเราก็ป้องกันบ้านเมืองก็เราไปได้แต่ถ้าเตรียมไปจุกช่องไว้ในช่องใดช่องหนึ่งถ้ากระสึกเกิดเปลี่ยนทิศทางลอยเราหราลงทางเราก็ถูกตลบหลังได้เห็นตัวอย่างในกรุงแตกครั้งที่สองเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราคนอ่อนแอเข้าไปจุกช่องเอาไว้ในช่องที่กระสึกจะบุกจริงแต่คนแข็งแรง ไปรักษาในช่องที่ข้าสึกจะไม่บุกในศึกในสุดข้าสึกก็บุกไปได้ใ น, นการรบกับอารมณ์ืกรกับกิเลสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจึจะต้องมีการรักษาคุ้มครองที่ทรงชใชกับว่าอารักขาคุ้มครองซึ่งหมายความว่ารักษารอบทิศทางไม่จะรักษาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งอย่างในกรณีนี้ก็เตรียมใจเอาไว้ทั้งสี่ด้านพอผิดหวัง เราก็รู้มาตั้งนานแล้วกพรเราเตรียมใจไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะออกน็ลองไปอีกครั้งหนึ่งลองไปอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะสมหวังมันก็มีได้พอได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกว่ายังดีดีกว่าผิดหวังพอมีตัวเปรียบเทียบแล้วพอสมหวังแล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งที่เราได้มาจะก่อให้เกิดมีสติการควบคุมตัวเอง พอเกิดได้เกินที่ระวังก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลจะต้องมาโดดบันดาลสนับสนุนการกระทําในปัจจุบันด้วยมีบุญแนเด็ตเข้ามาสนับสนุนด้วยก็ทําให้ได้เกินที่ระวังเอาไว้ก็จะมีชั้นท่อุตสาหะในการกระทําบุญต่อไปเพือได้อิงอาศัยเพื่อได้พึ่งผนมนัดอาศัยบุญต้นนั้นก็นี้จะเห็นว่าพอปัญญาเข้าไปกํากับความคิดเอาไว้ที่เกี่ยวกับการกําหนดอารมณ์ ใจก็จะไม่เสียการทรงตัวคือตั้งหลักได้เสมอไปและแม้แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงแปรปรวัวแตกดับไปเนื่องจากใจได้เคยเตรียมรับเป็นพื้นฐานเอาไว้ก็จะตั้งหลักได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วจะต้องแตกดับเปลี่ยนแปลงแปรปลัวไปเป็นธรรมดาการใช้ปัญญาพิจารณาในลักษณะนี้ที่จริงแล้วก็คือเรื่องของการเรียนรู้ความจริงในโลก ในแง่ที่มันเป็นจริงว่าเป็นจริงแล้วมันเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นเวลาได้มาก็ไม่หลงยึดจิตอยู่ในสิ่งเดียวนั้นทีนี้ในขณะที่เราได้มาแล้วก็ครอบครองสิ่งเดล่านั้นนั่นเองถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นหลักควบคุมโลภะตัสะโมหะ ก, ก็จะคุ้มห่อสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ยึดติดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้จนถึงกับที่เราใช้คำว่าผูกมัดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ กับใจของเราคือไปยึดถือในแนวเดียวเป็นของเราแต่ในแง่ของความจริงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ต้องของนอกกายหรอกแม้เราเองก็ไม่ใช่กลุบไม่ใช่เราจะเอาอะไรก็ของที่สมมติกันว่าเป็นของเราฉันสินธรรมจัญญานั้นมันไม่ถึงกับไปถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งนั้นด้วยประการทั้งปวง แต่จะสอนให้บุคคลพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สมมติว่าเป็นของเรานั่นเองให้ได้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆเจตในการทาเป็นบุญกุศลมันสังเกตว่ามันก็มีความเป็นของเราอยู่ไม่ได้ถึงกับถ่ายถอนอะไรออกไปเพียงแต่ว่าทำรรของเราให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเราต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงนั้นไปทํำยังไงจึงจะนําติดตัวไปได้ พระเจ้าก็ทรงสอนในระดับที่เรียกว่าวัตกามีกุศลคือกุศลที่ทำให้บุคคลยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้แหละแต่ว่าสามารถนำพาสิ่งซึ่งคนทั่วไปไม่สามารถนำพาได้นาพาไปได้ก็นี้มันสังเกตว่าความคิดของคนระดับที่มีอุปนิสัยบา ร, รมีสูงสง่งเช่นพระโพธิสัตว์หรือคนที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระหันต์ในโอกาสต่ตอไป ประเตั้งจะมีในลักษณะ น, นี้ยกตัวอย่างเช่นสุมเมศนาบทหรือสุมเมศมานพอันดีตประชารของพระพุทธเจ้าประชารที่เริ่มตั้งความปรารถนาและได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นโดยพื้นฐานบารามีท่านบอกว่ามีเหตุสัมปทาสมบัติคือสมบูรณ์ในวาสนาบารามีถ้าหากก็จะออกบวชในศาสนาของพระชีพังค์รพุทธเจ้าก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ แสดงว่าวาสนาบารมีสูงมากเมื่อท่านได้รับมอบมรดกของบิดาให้ครอบครองทั้งหมดเพราะเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่เจ้าหน้าที่ก็นําสมุด ร, รายงานเอกสารรายงานต่างๆรวบรวมทรัพย์สมบัติเอาไว้บางชิ้นสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ทวดจากปู่ทวดมาถึงตวดมาถึงปู่มาถึงพ่อบางอย่างก็สืบทอดมาจากทวด บางอย่างก็สืบปอมาจากปู่บางอย่างก็ส่วนใหญ่ก็สืบต่ออยู่ที่พ่อท่านก็มองเห็นเป็นกระบวนด้อย่างเด่นชัดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ใช่ของตน ป, ไปไู่ทวดเองก็เอาไปไม่ได้ทวดเองก็เาไปไม่ได้ปู่เองก็เาไปไม่ได้พ่อเองก็เาไปไม่ได้นั่นเปการยึดครองทรัพย์สมบัติในลักษณะที่ไม่ฉลาดทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าต้องทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นไป เพราะะนั้นเราจะเอาไปด้วยเอาทรัพย์ ส, บสมบัตินี้ไปด้วยแต่คําว่าเอาไปด้วยนั้นไม่ใช่แบกหามไปท่านก็ใช้วิธีบำเพ็ญฐานเด๋วยวการแจกจ่ายสงเค ร, ราะห์ประชาชนพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายแต่พ่อปาให้แก่ชาติบ้านเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองและตัวท่านเองก็ออกไปบวชเป็นดาบวชบำเพ็ญโพธิปฤติภูมิจารย์อย่างที่ทราบกัน ก็นี่แสดงเห็นนว่าปัญญาเมื่อกเกิดขึ้นแล้วแกจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นแพรายังมีความโลภไม่ใช่ไม่โลภหรอกก็โลภอยู่เรียบร้อยแต่โลภในลักษณะที่มีความประนีตขึ้นแทนที่จะชอบจะอุ้มทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้เยิ่ยงที่เรียกว่าปู่สมข้าวทรัพย์ือตายไปแล้วก็เป็นปู่สมข้าวทรัพย์อยู่เนี่ยท่านก็ใช้ให้นําทรัพย์ไปในลักษณะเป็นสมบัติติดตัว อยางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในชั้นนี้เอาไว้ว่าบุคคลผู้ที่จะต้องตายไปจากโลกนี้ทําบุญและบาปเอาไว้ในโลกนี้บุญและบาปนั้นก็จะเป็นของของบุคคลนั้นอย่างแท้จริงบุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปฉะนั้นพปาฐมเทศนาตอนนี้ทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสริฐที่กุศล พระเจ้าประเสนในโกศลนั้นไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเป็นการละยาณปุถุชนธรรมดาธรรมดาแต่นั้นธรรมะที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสนในโกศลจึงไม่ได้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยอย่างสูงสุดจะเทศแค่โุศลกำหนดสิบประการเท่านั้นพระรายประเทศธรรมะที่ท่านปฏิบัติแล้วได้ผลไม่ใช่สูงจนเกินเหตุไม่ใช่เอาความรู้ชั้นสูงมาสอนเด็กชั้นอนุบาล แต่สอนในวิสัยที่ท่านจะประพฤติปฏิบัติได้เพราะในในชั้นนี้ที่จริงแล้วก็ยังมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเพียงแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงจนปิดบังเหตุผลสติปัญญาที่จะเร็นอาชีบเขียงแต่เราจะเห็นว่าในจุดนี้เองถ้าหากว่าตัวความโลภเก่จัดมันก็มีตัวอย่างบุคคลเช่นที่ท่านยกตัวอย่างมัจฉริยะโกเสยเศษี ท่านรู่นี้หวงจสนีในทรัพย์สมบัติของตนซึ่งมีถึงแปดสิบโกดมากมายมหาศาลได้ไม่บริโภคใช้สอยด้วยตนเองไม่สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นาถาถาดปริวานทั้งหลายก็อยู่กันอย่างยากแค้นแสนเข็นเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้รวบรวมเอาไว้การเส้นเปลืองของทรัพย์สมบัติมันเหมือนกระยาหยอดตาที่เสียไปทีระดทีปะโยน์มันก็หมดขวดได้ไก เพรนั้นท่านจะพยายามไม่ยอมจ่ายทรัพย์สมบัติเท่าที่คือจะอยู่อย่างอนาถาธรรมดาสามัญปนเอิงเกิดจากจะกินขนมเบื้องขึ้นมาความอยากจนผอมไม่กล้าพูดกลัวจะถูกจ่าและในสุดเมื่อพัญญาสอบถามปรอบไปปรอบมาก็บอกว่าสามีต้องการที่จะกินขนมเบื้องพันดาก็บอกว่ามันจะยากเย็นอะไรทรัพย์สมบัติของเรามีตั้งมากมาย อย่าทอดขนมเบื้องเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนี้เลยก็เกิดโกรธขึ้นใหญ่เพราะความโลภความขวงในทับสมบัติเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องของความหลงแต่ก่อให้เกิดความโลภจนกลายเป็นยึดติดคือคุ้มห่อเอาไว้มัดเอาไว้ตัวเองในทับสมบัตินึกว่าจะอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปและในที่สุดพอใครพูดให้ตัวเองจะต้องจ่ายทัพบนี่เกิดโกรธโกรธแม้แต่พัญญา ในในสุดเมื่อตกลงประนีประนอมการเรียกว่าพบกันครึ่งทางเลยกะพบกันปลายทางของเศรษฐีคนเดียวเพราะว่าก็จะให้ขึ้นไปทอดอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดโดยกินคนเดียวพัญญามีหน้าที่ทอดให้เท่านั้นนี่จะเห็นจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะโลภะที่มันออกมาเป็นมัจฉริยะคือความสนีความหวงในทรัพสมบัติของตัวเองจนความหลง ในฐานะที่เป็นสามีพัญญากันนั้นที่จริงถือว่าเป็นคนคนเดียวกัน น, น่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ปล่อยพัญญารับความทุกข์ตัวเองจะสะวยสุขนั่นคือกิเลสที่มันเป็นรูปธรรมมันออกมาเป็นอาการเป็นความเคลื่อนไหวของบุคคลที่พระเจ้านํามาชี้แจงแสดงไว้นั้นที่จริงแล้วก็คือสอนธรรมะสอนกิเลสในลักษณะที่เป็นรูปธรรมแล้วเห็นผลกันแล้วเป็นความสุขความทุกข์กัน ในขณะเดียวกันเมื่อพระโมคคัลลานะเทระมาสลายความรู้สึกหวงรู้สึกเจดดาในทรัพย์สมบัติของทัานหมายความความโลภทันลดลงความหลงความหลงทัานลดลงที่จริงเริ่มกจายที่ความหลงหรือกรจัดความหลงออกไปเมื่อความหลงก็ลดความโกรธก็ลดความโลภก็ลดตามไปปรากฏว่าทรัพย์สมบัติที่เคยผูกมัดเอาไว้เคยอุ้มเอาไว้ไม่ยอมสละละวางอะไรเลยทัาน แกบำรุงพระศาะสนาสงเคราะห์สาธารณชนสร้างทางแห่งกุศลมีประการต่างๆต่อมาตัวเองก็อยู่ด้วยความเบาสบายเป็นผู้มีเกียรติประวัติซึ่งจะรึกไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาว่าเป็นคนที่สามารถขจัดกิเลสอย่างแรงๆได้เห็นไหมความว่าตอนติดท่านก็กิเลสหนาเติะหมดเลยทั้งโลกทั้งกฎทั้งหลงจนตัวเองก็ต้องภายพร้อมสูบซีดไปเพราะไม่กล้าสละละวางทัศสมบัติเหล่านั้น แต่พอกิเลสแก่จายลงไปการกดทับของกิเลสก็บเบาบางลงไปจิตใจของแกก็มีความปร่งเบามีความสุขมีความสงบแล้วก็เสียสละทรัพสมบัติทําสิ่งที่เป็นสาฐานาประโยชน์ก็กลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงชช้คําว่าอนุามินีคือจิตตามตัวไปได้ข้อนี้เป็นสังเกตว่าเป็นการรู้โลกในระดับหนึ่งเข้าถึงความจริงในระดับหนึ่ง ไม่จะถึงกับถอย่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกก็ออยังเป็นของเราอยู่นั่นแหละแต่พยายามทมของเรามันดีขึ้นพยายามทําห้มันเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเป็นชั้นเรียกว่าตกแต่งพบชาติให้ประณีตมากยิ่งขึ้นเป็นคำสอนระดับที่เรียกว่าระดับสวรรค์ระดับพรหมโลกเป็นอย่างสูงระดับโลกยาติจะสอนการระดับนี้ แต่จริงๆแล้วฝึงสังเกตว่าเป็นโครงสร้างเดิมเคยรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเราที่แท้จริงและไม่ใช่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงแต่เมื่อเราจะยังไม่สามารถจะเข้าถึงขนาดนั้นได้เราก็หาประโยชน์ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาได้หรือบางทีทรงสอนในรูปลักษณะที่เรียกว่าอันเหมือนของเรายืมมา ของที่ยืมนั้นที่จริงปัญญารู้สัมพันธ์กับของนั้นเพราะของนี้เป็นของที่เรายืมมาอีกกี่วันหนึ่งวันสองวันสาวันก็จะมาทวงคืนเราก็จะพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาที่เขาจะทวงคืนนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะแต่ถ้ายืมมาแล้วเอามาวางไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยพอถึงเวลาก็คืนเราก็ไม่ได้ประโยชน์ของนั้นก็เสื่อมสิ้นคุณค่าไปเฉพาะช่วงนั้น คือไม่ได้ทําประโยชน์ตามสมควรแก่สถานะของเขาก็เสียด้วยด้วยการทั้งสองฝ่ายการขาดเกลีจิตใจของบุคคลในสายของคําสอนที่ต้องการในรู้โลกตามความเป็นจริงนั้นแม้ในชั้นของสมมติสัจจะคือความจริงชั้นสมมตินั่นเองก็ยังเป็นการสอนที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายความกําหนักความยึดจิตในอารมณ์ทั้งหลาย ให้บอบางเจจางลงไปและใช้เหตุผลในการกำในการสแสวงหาในการครอบครองในการในโวกใช้สอยในการเสียสละละวางสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะให้ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นกว่าการที่ถูกครอบงำบงการสั่งการด้วยอาํานาจของกิเลสตั้งหลายเป็นการทําสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและ สามารถอิงอาศัยเป็นที่พึ่งพำนักเป็นเกาะของตนได้ในสัมปาจะพบภายภาคหน้าดังนั้นธรรมะปฏิบัติจึงอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเสมอไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป